บุญที่ผูกเราไว้กับพุทธศาสนาคือสัมมาทิฏฐิจะสร้างทุนเพื่อพบพุทธศาสนาทุกชาติอย่างไรทุกครั้งที่เราทำบุญกับพุทธศาสนาคือทุกครั้งที่เราเพิ่มความหนักแน่นเพิ่มสิทธิเพิ่มโอกาสเพิ่มน้ำหนักให้เราได้อยู่ใต้ร่มโพร่มไทรของพุทธศาสนาไปเรื่อยๆทีนี้ถามว่าบุญแบบไหน ที่จะผูกเราไว้กับพุทธศาสนาส่วนใหญ่เรามักจะนึกถึงการทำบุญทำทานการใส่บาทรพระซึ่งนั่นก็ใช่แต่ว่าเป็นระดับของการให้ทานซึ่งมีอยู่ทุกศาสนาหรือว่าบุญในระดับศรัทธามีครูอาจารย์พระอรหันต์ยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งนั่นก็ไม่แตกต่างจากศาสนาอื่นๆศรัทธา เป็นของที่เปลี่ยนง่ายศรัทธาคือสิ่งที่ใกล้เคียงกับอารมณ์ไม่ได้มีความตั้งมั่นปักหลักอยู่ได้ตลอดไปไม่ว่าเราจะตั้งความศรัทธาในพุทธศาสนาไว้ขนาดไหนสิ่งที่จะทำให้ใจของเราปักมั่นอยู่กับพุทธศาสนาได้แบบแน่วแน่คือปัญญาซึ่งเป็นเหมือนกับเหรียญด้านกลับกับศรัทธาเป็นเหรียญเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละด้านกัน แต่หากว่าเรามีศรัทธาแบบพูดจริงต้องมีปัญญาประกอบด้วยแล้วบุญที่เกี่ยวกับปัญญาไม่ใช่บุญที่เราบอกว่าฉันทำตู้พระไตรปิฎกถวายวัดแล้วไม่ใช่นะครับนั่นคือการให้ธรรมทานมีส่วนเสริมให้เราเกิดใหม่ได้ปัญญาชั้นสูงจริงแต่ว่าปัญญาในแบบที่ผูกอยู่กับพุทธศาสนาคือปัญญาในแบบที่มีความเข้าใจว่าสัมมาทิฏฐิ คืออะไรถ้าเรามาถึงจุดที่ทำบุญขนาดได้สมาทิฐิตรงนี้เป็นบุญในพุทธศาสนายิ่งแท้จริงสัมมาทิฐิคืออะไรคือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าพุทธศาสนามีขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นว่าอะไรเป็นทุกข์สิ่งที่เป็นทุกข์ก็คือการเกิดแก่เจ็บตายคือกายใจนี้ สภาพกายใจนี้เป็นห่วงโซ่หนึ่งของการเกิดแก่เจ็บตายแล้วถ้าหากว่าเราสามารถตัดโซ่ข้อนี้ทิ้งได้ปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ยืดยาวเป็นอนันตชาติก็ปลอยขาดสะบั้นไปด้วยตัวนี้คือสมาธิถ้าเราเห็นกายใจนี้ด้วยความเป็นรูปนามที่มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ทุกข์ที่หายไป แลนอมเอาสมาธิทีนี้มาทำให้เกิดสติอยู่กับภาวะที่เป็นปัจจุบันนี้เลยทีละนิดทีละหน่อยก็ยังดีเช่นเห็นว่าที่นั่งอยู่เนี่ยไม่มีตัวเรานั่งมีแต่กายนั่งอยู่มีแต่ท่านั่งนั่งอยู่เห็นว่าที่ใจเราล่องลอยไปเนี่ยเรียกว่าเป็นจิตฟุง้งซ่านที่ใจเรามีความสงบมีความตั้งมั่นนี่เรียกว่าจิตเป็นสมาธิ จะต่างไปเรื่อยๆ ค, ยค่อยๆเห็นไปทีละนิดละหน่อยไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่างไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนสักอย่างตัวนี้แหละที่จะทำให้เกิดเชื้อแห่งความเป็นพุทธที่แท้จริงขึ้นมาบนเส้นทางกรรมของเราพุทธศาสนาไม่ได้มีมาบ่อยๆคือยากนักที่จะมีผู้มีบุญมีความพร้อมมากพอจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่ง ในชาตินี้เรามีโอกาสพบแล้วแล้วก็มีสติมีสภาพอุปกรณ์คือมีกายใจนี้พร้อมแล้วเราไม่ปล่อยให้เสียโอกาสไปเฉยๆทำให้สติเจริญขึ้นรู้กายรู้ใจมากเข้ามากเข้าทีละนิดทีละหน่อยเหมือนหยดกระปุกก็นับว่าสะสมบุญในแบบที่จะทำให้มีความเที่ยงที่จะได้พบพระพุทธศาสนาอีกเรื่อย